จะต่อไปหาการตั้งความศักดิ์ญาณตอนเพิ่มพระพุทธเจ้าเพราะทำโดยสงเป็นคณะที่เพิ่งในพรรษานี้เราจะ อ, าอย่างไรทำบุญให้ทานในหักษาสินในตว น, นานี่ไม่ขาดถึงเป็นภารวะดีเราจะ อ, าอย่างไร เอาโบสถิเป็นสิ่เดิมเจ้ากรอบพรรษ า, าแล้วแต่คุณไม่เคยรักษาสิ่งห้าถามมาได้ห้าหนับครบห้าหรือเจ้าแปดนับครบแปดคนไร่หมากสามเดือนไม่มากไรนี่เพอเป็นชักจักบารมีของตอน สร้างคุณงามความดีไว้นี่เริ่อไปอยังนั้นนี่ล่ะทำจริงจริงจังๆนี่จะให้ทำดูสิพระเปนทําวัดถามมาได้เรียบร้อยอะไรบัดร้องทำแล้วแมมันพิดๆิถูกโูกนเป็นอย่างนี้นี่ล่ะ การรับรองอตอนเองครูบาอาจารย์ท่านไม่รับรองพุทธเจ้าไม่รับรองว่าเราดีแล้วว่าเราได้แล้วนะมาทำก็จริงๆแ ล, แล้วมันไม่ได้นี่ละเริ่มตเปนอย่างนี้แล้วต้องฝึกหัดปฏิบัติการที่รู้แล้ว รู้แล้วให้เป็นรู้เฉยๆมันไม่เป็นจะใช่ไม่ได้เป็นแล้วมันไม่เคยกต่ใช่ไม่ได้เคยไม่ฉลาดก็ใช่ไม่ได้รู้แล้วมันเป็นเป็นใ้เคยนเคยเหตุเคยทำเคยแล้วฉลาดในจากการพฤติการปฏิบัติ นน่มันจังใช่ได้ซากแต่รู้เฉยๆรู้จักอยู่บวชก็ดีสีนก็รู้อยู่านก็รู้อยู่ภาวนาก็รู้อยู่แต่มันไม่เป็นเป็นแล้วยังไม่เคยํำานาญการเข้าที่และการพิจารณาเนี่ยมันไม่ชำานาญ ปรชาไม่ได้มํานานแล้วมันฉลาดฉลาดยังไงแล้วก้มนักเวลาไหนก็ได้เวลานั้นอสาหัสร่างกายเราเนี่ยเนื้อให้ขาดจะขาดไปเนืกอให้แตกแต่แตกไปมีกำลังอย่างนั้นเคยกันกับคุณอะไรเืน ค, คุยแล้วความคุยแล้วแหม เทากันเราเด้ยสมบัสอรหันต์แล้วนะคุยได้พูดได้ทรรมาก็โหเลาะอยู่ในใจคนพยะยฟังเทศฟังอรตา ม, มานะมีแต่คนนั้นคุยอยู่อ้าวจนเดึกดินนะถ้าจะพูดได้ย่างงั้นแล้วไม่ขมกับของร่วงได้นวะวัดเยึนก็นไม่ได้ ละเป็นคลาวาสแต่ไม่ได้นี่พูดขนานั้นมันเข้าใจว่าเราสมเด็จอรหันแล้วรู้วัดทุกสิ่งทุกอย่างสังขากรกับสังขาร น, นอกสังขารในรกิเลสอะไรรู้วัดตัวนี่รู้ ก, รกิเลสทําไมละไม่ได้เล่นานีบวชก็ไม่ได้นีละก็ไม่ได้นี่เอาอะไรมารู้นี่ละ พาตันในเข้าใจการเราสมาธิภาวนาทุกวันเนี่ยพากันในจกักยังในฝึกหัดอบรมบ่มนิสัยของเราเมื่อสิ่งใดเราไม่เคยรู้เคยเห็นเคยได้ยินได้ฟังมามาได้ยินได้ฟังจึงได้ยินได้ฟังแล้วเพิเ่มเติมกับไปสมนิชฌานกับไปนี่การกระทำการปฏิบัติ มันไม่ใช่อยู่ของเก่าต้องเก้าหน้ามันจังดีงนี้มันปฏิบัติถอยหลังอะะเนียนก็คือกัรนะไขคือการแต่ก่อนปฏิบัติาการกระทาการปฏิบัติกังเกินอย่างนี้อนอนน้อย ทังวันคือการนอนเอาทิ้งไว้หลังเงาไว้ๆทางหน้าทานอยู่การกินขอบฉันก็ทิ้งไว้หลังให้ไว้คำหน้ากินนั้นไม่ได้กินไม่ไเลยเราไม่คํานึงนั่นเราแต่การปฏิบัติเท่านั้นนอนเราไม่นอนเราไม่เอาใจใายมันเราจะข้รอปฏิบัติเท่านั้น นี่ยลางคืนกลางวันตั้ ง, งใจปะทะกระทำเดินจุมกลมนั่งสมาธิถ้าผลไม่ตบตรงเนี้ยไม่ต้องขึ้นกุฏิแล้วทางจุมกลมเรียบร้อยแล้วทำํำราเหมือนกระทมารเนี่ยนั่งอยู่นั่นเหนื่อยเหนื่อยแล้วกลับมานั่งนั่งเหนืยแล้วก็เดิน รับทำรับอยู่นะั่่ะมันทําทมาแต่ก่อนอาอย่างนั้นมาดูฝนเนี่ยดูแรงคือกันมาดูแรงมาเป็นนอนตามโคตรไม้ทา <c oughs> งปอดอยู่พอเมื่อดะดูฝนกล็ลงหยุดขมูลหน่อมไม้เห็นวดัดนี่ปฏิบัติเนียนี้ล่ะจะเดินจงกรมก็ไม่มีกลางคืนทําความเพียรก็ไม่มีนะ กัวจะทุกข์ัวจะเหนื่อยตัวจะหิวงานนแล้วไม่ไม่เป็นเราต้องปฏิบัติหัว่าดตายท่านอาจารย์ตะก่อนท่านสร้างปุตติท่านลือสะเพลนปุตีเนี่ยเอาแต้ทางจำกรทำร้านเมตตาหมาดนี่ยหละเสือหมอนมาขึ้นไปปุ้นข้ามคืนงาน เดินแล้วกันเนยเดินแล้วก็ยืนไม่ยืนก็นั่งไม่นั่งก็เดินทำความเป็นขนาดท่านท่านจะไม่เป็นครูเป็นอาจารย์ท่านทำมาได้สิบหกปีเมื่อท่านได้รู้แล้วท่านจะมาเทศนาสั่งสอนแต่พวกเราทั้งหลายสักวันเนี้ย แต่ก่อนไม่มีใครมาสี่แจงแสดงให้ฟังทันบอกว่ามดตามานบอกว่ามรดท่านมีบุญมากทมก็ไม่ฟังเรียนก็ไม่เรียนมากทำภานวนาก็ไม่มากแต่ก่อนท่องบนสวดเงิดคำสี่สิบห้องก็ท่บบทองมหมดเ่ ตั้งพระพุทธานุสติสิบกระสินส0 ป, ประสุภาสิบก ร, รุปรสาน4ีตมิหานเสียระขาดตัวฐานรัปฏิกูลห่องเมิดในกรรมฐ า, านสี่สิบห่องมดเจริญทรายแล้วมีมาถูกแทนนับได้รอยแปดเ่อร้อยแปด นี่ท่านภาวนาเดินจมกรมตกใส้สมุจรีรอบสตรนทำได้และนี้เราไม่เป็นอย่างนั้นเราทำได้ทุกอริยบทนงอย่างนั้นนี่ละ่ะหากาหันในู้จักกา ร, รการปฏิบัติสินธรรมของเราความสุขความเจริญกับเรามีสิน สินความปกติกายปกติใจคือสินนั่นแปลว่ารักเว้นจากโทษงดเว้นโทษน้อยใหญ่ทางกายทางใจของเราเราไม่ทำบาปทำกรรมทำความชั่วเราไปในพบไหนฉาติไหนก็ตามเราก็ไม่เป็นคนชั่วเป็นอย่างนี้ นี่เราพากันเกิดมาในโลกนี้พากันบ่นทุกบ่นยากบ่นจนบ่นอดนั้นอดนี้บ่นเป็นนี่เป็นชิ้นกันเนาเล่นก็ดีอะไรก็ดีทุกวันนี้ยิ่งจะเรียนจบแล้วก็จะเข้าทําการทํางานก็อยากนักอยากหนาะน่ยเพราะเหตุใดนั้นละบุญว่าสนะของเราไม่ได้สร้างมา หลายครอบหลายชาติมานะอยากได้ยศถามบรรดาศักดิ์อะไไม่ได้ล่ำอยากรวยอยากสวยอยากงามทานั้นก็ไม่ได้นี่แหละเหตุนั้นพระพุทธเจ้าท่านตัดสู้แล้วท่นได้วางศาสนาวายเป็นข้อปฏิบัตินะนี่ศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นหลักศาสนาคือรังตาม ให้ทานรักษาศีลภาวนานี่ละท่านสอนไว้เป็นข้อปฏิบัติศีลอย่างตำ่ำนี่อย่งางกลางอย่างละเอียดเนี่ยเป็นยังไงอย่า ง, งต่ำแล้วก็ศีลห้าอย่งางกลางศีลแปดหรือศีลสิบมหาศีลนะละเอียดแล้วศีลสองร้อยี่ิก็บ เนี่ยผู้รักษาได้เนี่เป็นปามบริสุทธาคือส2 7ยเจ็ดนั้นท่านสอนหมดทุกสิ่งทุกอย่างการนุ่งการห่มการพบการช้นการนั่งการนอนการเดินการยืนทันสอนหมดจนยำเขี้ยวเข้าทั้งก็รสอนตอนเข้าเข้าปากก็สอน คำเข้ า, าสักแอ น, นพิุทเจ้านสอนอยังไงคำเข้าคือํำคำเข้าให้ตรมกลอมแหนมให้ใหญ่นะักนั่นไม่สั้กัดคำเข้าเพราไม่ยวนคำเข้าเข้าปากเมื่อคำเข้าไม่ถึงปากยาอาอาปากไว้ท่านานาสั่ดังจับจับขว นั่งสูส้ๆทัวนั่งจับๆก็คือสุกรแล้ว ม, มึนกินนั่งไปอย่างงานนะสันกัดสันแหนอย่าสัมเลลิ้มฝีปากอย่าสัเนสเลมือมึงบอกว่านั่นละเอียดกันนั้นละเพื่อความสวยความงามเนี่ยอันนี้เราทั้งหลายกระเส้นมระสินของเราพากันดูมันเ ร, เ, รเรียบเรียบร้อย เมื่อเราเ ว, วทธรรมโทษน้อยใหญ่แล้วเกิดมาในภพในฉากไหนแล้วก็เป็นคนระเบียบเรียบร้อยนี่ละ่ะเพิ่นเห็ุภาวนาต่อไปเอาพากันเข้าที่นั่งสมาธิโคนาเทศมากมันก็มากไปให้ดูต้มโคนมันมันเป็นยังไงมันไม่ดีตรงไหนเราจะได้สำนักแก้ไขเอ้าให้นั่งเข้าที่อืม บุญมันแน่เป็นหาวันกเอาภาษาจะพากันเข้านะจะออกไปนอกเข้ามาในนื้ออ้าวเข้ามันมีละบุญมันเนี่ ย, าายออาาบรรภาษาเขาวงด้อมเข้าเข้าถึงจิตถึงกายถึงใจขอยงเราเข้าถึงตายเป็นยังไงมันจะเห็นกายขอยงเรา เขาถึงจิตมัเนเกณฑ์จิตของเราตอนนี่เรายังไม่เห็นตายของเราเรามันยังไม่เห็นจิตของเราไงไม่เห็นเป็นยังไงกายของเราเป็นอยู่ยังไงไงเราว่าแต่เราเป็นตัวเป็นตอนชัดบุคคลเราเขาเข้าดู ตั้งแต่ผมแต่ขนแต่เล็บแต่ฟันแต่หนังแต่เนื้อลับไปใส่น้อยใส่ใหญ่หานเก่าหานไมยให้ดูดูเพื่อใดเนี่ยดูเพื่อไม่หลงหลงอะไรหลงราคะลาโลภโทสะโมหะแหนอวิชาตัญหาประธานพบชาเนี่ยมันไม่หลงเอาละเห็นแล้ว เนี่ดูร่างกายของเรานี่มันมีอะไรจะได้พากัหวลว่านั่นเป็นตัวเป็นตนนะเป็นสุขเป็นทุกมันเพราะเหตุใดจงให้นั่นดูให้มันรู้มันเห็นความเป็นอยู่ความมีอยู่นะให้รู้ให้ดูของมีอยู่มันเป็นคนจริงๆริงไมนะ ทำไมเป็นคนทําไมมีแต่บรรเจ็บบรรปวดทําไมมีแต่บรรเหนื่อยบรรหิวทาไมมีแต่บรรทุกบรรยากทำไมมีแต่ความลําบากลําคาญทําไมเป็นอย่างนี้เออมาละมีแต่ผูริกรรมมีแต่โลกมีแต่ภัยเอียมีแต่เป็นนั่นเป็นนี่ไม่ชนะอัตมาทุวัตเนี่ยเอี น, นั่นคน น, นั้นเป็นพอกเนี่ยคนนั่นเป็น เนะจ็บท่องเจ็บไส้เจ็บหลังเจ็บเท้ยวเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหูเจ็บตาเจ็บศีรษะอา้านะ้าคุณเออโอ้ยว่าพระว่าขาดทุนขาดร้อนเป็นนี่เป็นศินเพราะว่านะ้มันเป็นอย่างเออนเป็นทําไมเป็นอย่างนี้น้าให้ดูมันมันเป็นมาจากไงน้าบนลลาวไครมากรนะเดา น, น, น้าคนะุณนี่เป็นอันนี้น้านคะุณนี่เป็นอันนั้นนอา เรืงมันเราจะไม่นชนะจะอ น, นั้นจะแก้ไขเราริบ ม, มาแก้ไขเดี๋ยวนี้ให้ไ ข, ขแก้ให้เราแก่เอาเองเนี่ยผู้พุทธเจ้ามันก็แก้วก็เอาไปไม่ได้ท่านออกไปได้แถาเขาสู่ปริภา์มาแล้วอันเมเรซี่แจงแสดงหนทางข้อปฏิบัติอะไคือเดี๋ยวนี้ล่ะมาช้ากันทําดูอืเขาดูกายของเรา มันเป็นยังไงสังขารร่างกายของเราเขาดูอ่ามันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์มันเป็นยังไงอหนนเป็นสุขไหมันเป็นทุกข์น่าสุภาษิตอตอนยังไงแล้วมันทุกข์อย่างนี้อ่ามาเขาดูกายแล้วเรามาใส่นิยมแล้วก็เขาดูจิตอ่าจิตนี่มันเป็นยังไง คนนี้เป็นผู้ก่อพ่ก่อชาติพอกรรมก่อเวนกอภัยคนนี้เป็นผู้สร้างบาปสร้างกรรมนะให้ดูวันมันไปสร้างบาปสร้างกรรมเป็นยังไงกิจนั้นทะเยอทยานดิ้นรนทุรนทุรายมันอยากโน่นอยากนี้นะอย่างเนี้ยมันทรงข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างนะมันไม่ตั้ง อยู่ทำกางได้นี่ให้เข้าดูจิตทของเรายาวจิตไปไวหวใที่อื่นเอาไหวเนยพุทโอคือผู้รู้ผู้รู้ต่องนายแล้วกำหนดจิตเปในพุทโอคือคารู้นี่แล้วยาาไห้ไปแหงเอือนเอาไปไหวน้ำนั่งอันนี้มันก็เป็นทุกข์่าไปไหวน้าลูกจะไปไหวน้า ล, ล้านย่าไปไหวน้าบ้านน้าช่องอย่าไปไหวน้าการ น, า น, น้างานน้ เอาไว้ในจิตของเราถ้ามันรู้มันเห็นความเป็นอยู่ความมีอยู่ให้เพึงรู้ให้ชึ่มผู้ใจต่อไปนี่เราจะไปเกาะในภพในชาตไหนถ้ามันรู้มันเห็นเรื่องมันเป็นอย่างนี้อย่างเรามาดูเอามาพาวนาเรามาเลือกแฟนดวงใจของเรา้านท่าใจของเราพุทธสงบนิ่ง โยมันไม่ได้ทรงหน้าทรงหลั ง, งทรงข้ายทรงขวามันไม่จะไปสำคัญนันหม้ยสิ่งนนสิ่งนี้มันก็สงบพอมันสงบมันก็พร้อทุกพอคนนี้ไม่จะไปหยึดไปถือสิ่งนนสิ่งนี้ยิดมันว่างหมดมันกลเป็นพระสอนเด้พอจิตสงบเป็นสมาธิแล้ว สมาธิาคือความสงบพอมันสงบแล้วมันก็สายพ่อสายแล้วมันก็มองเห็นดีมองเห็นชั่วมองเห็นสุขเห็นทุกข์นี่สิ่งใดชั่วเราก็เลิกก็ละสิ่งใดทุกข์เราก็ละนะีมันเป็นอย่างเนี้สิ่งใดไม่ดีเราก็ละเราก็ศึกษาเราเรียนมาแล้วอี่ไม่ใช่อารมณ์ดี อันนี้มันดีเป็นไงในพูดเลยในปัจจุบันนี้รวมมาสันส้นๆใจจะสงบดีมีความสุขความสบายเย็ยนอกเย็ยนใจไม่ทุกข์ไม่รอ้อนไม่วุ่นไม่วายตายหุตตาจิตตะระหุตาลาหุเบาจิตเบาแล้วกายก็เบาความเบานี้เราเบาหมดการงานก็เบาอะไรก็เบาหมดอ่า ยางเป็นนี้เห็นนั้นจาใายพากันเพ่งเล่นดูทามันรู้มันเห็นไดเ้เราอยากสุขเราอยากสบายไม่ใช่อื่นสุขสบายนอกจิตกเราสงบในบารีถ้าวานนัททสันติปรังสุขขังสุขอะไรเสมอจิตสงบนั้นไม่มีแล้วก็เพ่งดูที่เสมอจิตสงบนั้นไม่มีนี่ละความสงบนี่ละมันสุข เดี๋ยวนี้ทางนอกก็ดีทางในก็ดีถ้าทางในไม่สงบแล้วทางนอกมันจะสงบได้อย่างไรนี่มันเกิดจากไหนเกิดเป็นนรกเกิดเป็นสเดระสารก็ดีเกิดทุกเกิดจนเกิดทบเกิดจากมันเกิดมาจากไหนมันเกิดจากจิตนี่เองนี่ไม่ตกนรกเป็นเปิดเป็นสเดระสารแต่จิตนี่เอง จิตสุขจิตสบายมันเกิดจากจิตนี่เองไม่ได้เกิดน้สิ่งทั้งหลายทั้งหมดเรื่องแบบนี้ไปงั้นจะไปเป็นเท้าบุตรเท้าดาทาอินพระพรกจากจิตนี่เองไม่ใช่อินไปเป็นเมื่อเป็นชนนี้แล้วต่างคนตาน่างทํามันสงบออ้าวต่อไปต่างคนต่างทำทำมันสงบ ให้สัญญารีเสียงอะไรก็ตามเรารู้ว่าสิ่งนั้นมันมีอันตรายแล้วเราไม่ทำเดือดร้อนแต่ทำใจของเรามันสงบทําใจของเร า, ม, า, ใใเรามันนิ่งทํำฟังใจของเรา ม, ามันวางนวดยาไปยึดตัวสิ่งโน้นสิ่งนี้มาเป็นกรรมหาเราไปยึดแล้วมันก็เป็นทุกข์นี่ไป อ้าวเขาได้เขาเข็มเขอเอาจริงจิงจำจำดูเตดีแล้วไม่ดีก็รู้จักตรงนี้มันไม่ดีก็รู้จักตรงนี้ดีก็ที่บายฟังแล้วมันไม่ดีก็ที่บายฟังแล้ว Amen. คลองตรงไหนพาตรงไหนหยิบพาเป็นสัมฤทธิช่ไหเมื่อรู้อยู่เนี่ยถึงข่าวถึงสมัยแกไม่ได้หยิบมาแกนะเวลานี้อา่อาไม่ดีตรงไหนแก่ตรงนั่นคล่องตรงไหนก็บดตรงนั่นันไม่ดีตรงไหนสําระธตรงนั่น มานั่งดูดวงสตเราเรามาฝึกอั ด, ดเรามาปฏิบัติเปรียบก็มาเหมือนกันในช่างเขาสายไม้ต้องการนงกงเขาก็ใสแล้วเรล่โดูเมื่อเลิ่มดูแล้วมันไม่ดีตรงไหนก็ใสยตรงนั้นจนเรียกใช้ได้ นี่ก็สัน้นาย้สายของเราไม่ดีตรงไหนก็สมรภ์ตรงนั้นนั่นเป็นอยนี้ตงนั้นเป็งแาวทางเป็นขั้นใจการปฏิบัติสารซักผ ป, ปฏิบัติยืดหูสลายอย่างนี้ยูด อ, อะไรเพื่อความสะอาดเนื้อความใสย อันนี้โู้ทลายมิ่งใสใจเราเคือกันนี่เพียงไรศึกษาอืมดีนะไม่ได้นะาทับแคบแคบซื่อนี้ได้นะ น่ยยังไงเพื่นดีรึมันดีแล้วไม่ได้นะทุนี้เราดีมวันเนี่ยเนยป็นไอ่ะมันเยอะเยอะก็ต้องอเมชนาคมันขอแม่ลบหรือว่ามันได้ละสเมนาคมันชุมหนันมันเต็มเลยเหมือนกันัปซอบกันในเวที สนะคนเดียวใครยินนับบอกคนเก่งศาะนาในเวทีนี้น่ะศสนะคนมากมากนมเอนะนีะนะนะ่บอกแล้วอย่าใจไปไหว้นะ้าอันนั้นอันนี้นใจไว้ในใจของเราใจไว้ในคนมากอะไรไปไค้อมันแจ้งออไปพาทําๆเรืย โอเคฮึได้ไนเนอะเท่มากไม่มีกําคืนกางวั น, ห, นวหรือยังเราเว้ยเนอะคุณนายวันนี้เป็นไง เนี่ยเนี่ยมึงเตะงั้นเป็นไงดีไหมดีแล้วโอ ดีไนอยากเดี ผีรอกแก้ ม, มกินอาหารคนตัวเราผีรอกจ้ะแม่ นี่แกรรมของใครของเราสร้างไว้กุศลธรรมมากุศลธรรมมาเราทํามาแล้วมันได้อทําไม่ทำมาแล้วไม่ได้อยากได้ก็ไม่ได้ไม่ได้ทํามาเนี่ยกุศลธรรมมาคือทํากุศลมาคือความสลาด จะนั่งสมาธิภาวนาจิตสงบมีความสุขความสบายอันนี้นกุศนนลธรรมกุรลธรรมมามันนำความสุขความเจริญให้ในปัจจุบันในเบื้องหน้ า, ไ ป, า, นน า, า, นาไปในปศนหนาชาติไหนไประตามนได้รับความสุขความสบายนะกุศลธรรม่าคือทำบาปทำกรรมมา มันในรับความทุกข์ความยากในปัจจุบันในเบื้องหน้ามันประสบพอเห็นสิ่งไม่ดีในรับผลความทุกข์ความยากได้ในรับความทุกข์ความยากเรื่องเป็นอย่างนี้เราทําเอางานในราษฎรให้เรามานีมาทำกรรมดีไว้ยังไหนั่นดู มนเป็นอย่างนี้อาภยากตาธรรมเนี่ยภูอาคุธรรมอาภยากตาธรรมภุรกิเรตันหาลาคะโลภะโทสะโมหะวิชาตันหาประธานทบชาติชิ้นเชิงแล้วไปปณิพานนับทุกเมว่อตาสงสาร ไม่ได้เวียนหวาตายเกิดอีกแล้วชาติแล้วเท่านั้นจะอยู่เมืองปริพานไม่รู้เกิดไม่รู้แกไม่รู้เจ็บไม่รู้ตายไม่รู้ทุกข์นี่นั่นนั่นแหยเนิยพยากตาธรรมาเนีนยยากฤตนี่ภูระกิเลสกุจิตเราโสมววอง การหาความทะเยอทะยานดิ้นรนละเมดราคเนียความรักใคร่ชอบใจท่้งสิ้นต่างหลายละเมิดโลภะ ค, ะความโลภละเมิดโศกความโกตรละเมิดมุขความหลงวิชาความหลงละเมิดพบชัดทั้งหลายละเมิดเนี่ย เดยวพยากระตา ร, รมไปอยู่เพื่งปณิพนันรับทุกนาประการสงสารไม่ได้เวียน่ายตายเตือนทีกเหตุนี้ได้พากันในเพึ่งรู้เพึ่งเข้าใจวารปฏิบัติพระพุทธเจ้าจะได้วางสาปชนาไหวโกลงไปสพอันไม่ดีเราไปห่วงแต่อันนั้นอันนี้สิ่งเรานั้นไม่มันไม่ไม มันไม่ให้พ้ทุกข์เพ่นไม่ห่วงอะไรเอาไว้ในใจของเราเอาไว้ในะพุทธเจ้าพุทโธเป็นที่พึ่งให้รู้ยู่เสมอนั่งนอนเดินยืนให้มีสติอย่เดียพยากตตาธรรมให้จิตพุทโธให้จิตเบิกบาน ในจิตสุขจิตสบายเนี่ยแล้ยกะาธรรมเดวนาคุโถเป็นผู้เบิกบานเต็มที่ผู้สว่างสวยผู้ส่องท่องสายผู้รู้แจ้งแทงตลอดซึง ส, สารพัพยายก ท, ทั้งหลายนู่นแซ่บซึ่งความเกิดความแกความเจ็บความตายนี่แหละ นุ้ยแจ้งซึ่งทุกทั้งหลายเ่านี่ยละซึ่งทุก้ยแจ้งซึ่งกรรมตึงเวรจังหวัดท่านทับสลูอริยธรรมทั้งหลายพระสิจ้าวเหตุใดอันจะในละได้ตตวนิมิตสีประการนี้มาบรรดาลหัวใจขอยงท่าน น, านิมิตสีประการเกินใดเล่า คือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่แหละท่านเห็นนะนี่ท่านยังละลาดสมบัติได้ท่านจึงไม่ยินดีเรื่องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่อิ่นกายหรอกนอ่นีะหาเราช่วยลาดสมบัติอยู่นั้นมันจะไม่พ้นสิ่งเหล่านี้นี่ท่านพิจารณาแล้วสิ่งที่ไม่เกิดสิ่งที่ไม่แก่สิ่ง ที่ไม่เจ็บไม่ตายท่านทไม่ทุกข์คงมีท่าเก็บแม้ก็มีมืดยังมีแสงสว่างแก่เออท่านมีร้อนก็มีเย็นแก่ น, นี่ทั้งขคอพิจารณาหกปีท่านจะได้นนกัปโสรุตระสัมมาสัมปธิยานเป็นอุปติธาคือความตัดโสรุของท่าน มีสัสามบุเพนิวาุสาสติยานมุเพคือท่าน Đ รักเท่บุพาบุภาษาหนหลังนำท่านลูนี้นําำไปมดเกินเกิดมาอะไรอะไรมาท่านลูมดผู้แจง้งแทงตรอดมดัดไม่มีตะกบปิดเกิดในพบใจฉากไหนพระสนั่นท่านรัลูมดัดทับทั้งหลาย เพราะทํานได้เป็นไปหมดนะผู้ใดทําทอะไรมาผู้ใดสร้างอะไรมาท่านรู้หมดมท่านตัดสู้นี่งานในเบื้องต้ น, ตนจุดตุปาตยานงานยังรู้ย่างเห็นความจุดติคือเคลื่อนไปจากนี้ดับไปจากนี้ไปอยู่ในพบไหนฉาบไหนไเป็นอะไรท่านรู้หมด พุทธเจ้าเขาได้ทำอะไรไว้ไ้สร้างอะไรไว้ไปอยู่ในชั้นใดภูมใิใดในพบอันใดนท่านรู้มากท่านยังมีความสามารถกาหารเมื่อท่านเกษียรอย่างนั้นนี่ยานที่สามาเสศัอาศยายานดูสิ้นพบสินชานาี เป็นพราหาันแล้วรับกิเลสกันหาราค้าโลภะโทสะมุหามีสาธนุทานภกชาติไม่ได้เวียนว่าตายเกิดที่แล้วนี่ชินมอดนี่เป็นอย่างนี้แต่สแนนพาันในเพิ่งลูกลมใจเมื่อท่านจัสรู้แล้วธ น, นูมัดนี่ในโลกนี้ไม่มีที่ว่างยัตทับแอร์กันอยู่ทรัพย์ทั้งหลาย เหมือนกับเขาสามยัดอยู่นกรสอบไม่มีที่วางอกระสัสคนเรามันมาจากไหนน้ำบอาซับทั้งหลายยัดอยู่ในโลกนี่ไม่มีที่วางเต็ไมไปหมดเชื่อไหมล่ะมันก็วางไม่ได้นี่ไม่มีอะไรอเพราะเรามีเครื่องวัด เาไ ม, มีเครื่องวัดแล้วก็ไม่มีเครื่องรู้ทีล่ละน้าเาเรามีเครื่องวัดแล้วก็มีเครื่องรู้แล้วเอาสมมุติว่ากายมือนี่ลราเอามีเครื่องวัดอวิทยุมาตั้งรู้นี่ตั้งเปิดเครงเล่าเจ้าเสียงคลังอังกฤษทุกระทึกง่ายูานี่ไม่มีเสียงอะไรน้หรือว่าง่อย ยับเป็อย่างนี้อะไรนี่อย่นี้ไม่มีเสียงอะไรนี่เขาอีกยูมาตัํามาดูนี่เสียงครังก็มีเสียงอะไรก็มีเสียงยีนนี่เสียงอะไรนี่ครับบัสหรือว่าง่ายเนี่ยเป็นอย่างนี้ น, นี่เนี่ยดูเนี่ยวางอย่างนี้ล่ะไม่มีเสียงอะไรอะไรก็ไม่มีนี่เนี่ย ดาววิทยุมาตั้งคือนี่แล้วเจ้าร้องเพลงเจา้าเสงอะไรแล้ว น, นี่เต็มไปหมดห ม, ดมดนนีเครื่องวัดมันมาจากไหนสักนะเสียงเมโลกราลิกามีมดัดเสียงสังอังกฤษนี่มั ด, ห, มดหรือว่างวิทยุอัตมาก็ไม่เคยฟังหรอกหรือว่างเคยได้ฟังใช่ม่ะนะไปอย่างนั้นเด กาหารวางสาปชนาไว้เรื่องเป็นอย่างนี้ เ, นเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องไรทัศลูเมื่อท่นรู้แจ้งแท่ ง, ง, งตลอดีซึ่งสารพัดนยิยธรรมทั้งหลายไม่มีใครเนี่ยบอกสอนท่านทัศลูพ ร, ร, ระองค์เอง จ, ออจะริ้สยามุโนเนาะผู้ทัศลูอินอย่างนี้ ออโอ้ไอ้ทุก ข, ข์กรจายยังเนี่ยทางไงจายังไงล่ะงุณไง่างไงคุณตรงรัดเนี่ยคจมายมาเทนให้ฟังจะไปห่วงนั่นห่วงนี่ไม่ได้นะห่วงเสพเปล่า มาได้อะไรสักอย่างหอกเราหว่วงนั่นหว่วงนี้ไม่ได้อะไรทิงหมดจะไปหว่วงนั่นหว่วงนี้เอาใจไปไว้อา น, นั้นอันนี้ก็เป็นทุกข์เอาไว้อันนี้มันยังไม่ทุกข์ไว้ในพุตทอคือพุูุหันมันยังไม่ทุกข์เอาใจก็เสีงยงไม้เอ๊ะ มันจะไม่ทุกอ่ะน่ามันได้แล้วอืมโหที่ทำยังไงทำของใครของเงาหรือสร้างไว้หรือทำไว้ ท่านพุทธเจ้าเจอเทศนาทำไม่เล่าคำสอ น, นท่านท่านคงก็ไม่เชื่อเนี่ยนี่เขาก็สนธนากันมากให้มาูัวแล้วัการแองหัวหนังสารดูศักดษาส า, สาลักัดคนมาเน่า ก็ไ okay. ด้ผู้เป็นยัางนึงเอาคำนั้นผู้ไดกินได้เอามาอ้าวมาเราบดเป็นน่นเป็นนี่ผีบ้าก็มีอะไรก็มีน้าเขาใส่สนองสาเนกามีอ้าวมัดมีทุกอย่างว้า นเราไม่สนะเว้ยมัดคนโอ้ยบัดบางคนว่าอ้าวผูจะได้ลูกกระปุกนี้แน่กูได้ลูกหลายโอ้ยไม่ได้ลูกกระมีแน่ แบบไหนเป็นอย่างวปั้นโนตัวเดี๋ยวก็ปั้นเป็นตัวนั่นแหละเราก็แตงไม่แตนแล้วจพระธรรมมันแต่งให้อย่างว่าเราแตงกระเบนเป็นหูตาจะโมกจะเชื่อพระธรรมจะปฏิบัติพระธรรมทำโมเวยกระติสธรรมจาลิงซั์อาศัยธรรมธรรมอาศัยสงสารถ้าซับปฏิบัติธรรมดีประกำนาความดีให้ เนี่ยผู้ใดปฏิบัติทำไม่ดีพระก็นําไม่ดีให้เนี่ยถึําโมไว้และปฏิทินมจารีนเราปฏิบัติดีทำดีพก็นําความดีให้หนังทำดีก็คือเรานั่งสมาธิดูองคเต้นี่ยปฏิบายฟังแล้วใจเราดีใจเรามีความสุขความสบาย ไปเนี่ยพบไหนฉานไหนแล้วก็มีความชุกความสบายใครแล้วมีทุกข์ยากหมุนวายเดือดร้อ น, นนี่เราไลรับคลนั้นเปิดมากายกับฏิคนีการเนื่งมันเป็นอย่างนี้ขอสำคัญนั่นจะให้พากันในัรงรู้นใจเต้มานั่งดูมาปฏิบัติเต้จะเป็นมัวเมาแต่การมัวเมาแต่งานเอยถึงเงินแต่ทองไาย มันนับไปได้ไปผลประโยชน์อะไรเอามาทิ้งหมดมีเงินล้านเงินโกดกทิ้หมดมีเงินเอเต็มฉลาก็ทิ้งหมดเอาไปนําไม่ได้สักอย่างมีลูกเต็มบ้านเต็มเมืองก็ทิ้งหมดมีขา้าวมีของกระทิ้หมดมีแต่าสองกุศลธรรมมากุศลธรรมม า, าเทนิลาเราทำมาแล้วมันได้ นอกงานแล้วไม่ได้แล้วอนะแต่เราได้ทํามาแล้วยังได้เราไม่ทํามาแล้วก็ไม่ได้ละต่อไปจ่ายไหมล่ะปกเสีกเราพยายันปฏิบัตินะเฮ้ยให้ยืเมเงินสักสิบสักสิบดอลกวาดไม่นอนลวมันนี้เอาได้มไหม <c oughs> เราอ้าอสู้ไมล ตะมาให้นอนก็ได้ไม่ให้นอนก็ได้ <laughs> yeah. หมอเขาไปให้นอนให้พักไปจะให้อมสุดาละเราไม่เลิกนอนนี่มึงง่วงมันเงายังงอกระเพาะหน้ามึนงับงับน yeah. กระเพหน้าก็ปั๊กินก้าน้า ได้ไม่ได้ที่แบบนี้เนาะหัวใจมันไม่เที่ยงมันไม่มีสติ ม, มันหลงลื ม, มเดี๋ยวพาากระร้อมกลางนี่นพญา ก, กิงกามกพญา ก, กิงกามันเยพญากิงกาแตมันตเงาจ มมว่ามันครบโตเอาแหวนถอดแวนคำซุบซิ่วคอดวดขึ้นหัวเ น, นี่ยว ด, ดขึ้นซี่ซ่าแหน่จอไม่ได้นันน่นกิมกาเห็นไหมล่ะพญากะป๋อมกาพญากิมกาพญากะปอมเ ม, มืองเราว่ากะปอมเอากิมกาเห็นมันขึ้นกงไม่เห็นตอนมันมักหัวมันครบโต นวามแหวนสวมเอามันดโดดขึ้นหัวปวาบตกหุ้นนีน่ยควมมันจะก็นแหวนเนี่ยงสวามันตัวคอการห น, นแหวนทญาตะกรอนเนี่นคำชกนีิมันเนี่คือพระยาจิ้งกะน่ยน่ยแล้วก็ความครบมัน เรไปนิงตาทลาะน่มันไม่ไจักแต่นันแหละมีศาษาเนอะได้ได้ละดูไวต่อไปพวกเราไป น, นอนรับตื่นนอนแลวยังเอการนอนตื่นแนะ้ยังไม่ตื่นฟุกทุกวัน เงงอนตื่นนยังลาอืีนสนใจถ้าตื่นตื่นนะพูนยังลาจะครูได้เนาะเงียเขาเนี่นออม่ตื่นลาจะครูไม่ได้ละเง้ลองยัดลองทักดวเงีเอาตื่นในนี้ได้แล้วเน่ เตดอนแม่พูทโธพเตือนหนีมันเลยยานันนนนกก่นนั่งนั่งพันธังนมันโลกแบบนี้เอ่อละเขาละรวยละก็แห้งรวยเนาะเอ่อไม่ละไม่รวยด้วยละรวยแ ม, ม่นแนวว <laughs> ท้ก็ละละเมื่อจะแห้งรวยวะคิดแล้วโอ้ก็หาละรวย ให้เงืนศึกษาละรวยเลย่าละละรวยแล้วเดี๋ยวนี้มีวัดมหมนี่อหอมผ่อยเจ้าคมานมันใช่ไยงานซานกินก็ดีมวยไม่ไมยา ก, กแห้ง